คำพีอภิธรรมัตสังกะหะที่จะแสดงต่อไปนี่เป็นคำพีที่กล่าวปรมตถธรรมโดยสังเขปนะนะคำพีที่เป็นแนวเดียวกันกับอภิธรรมัตสังกะหะมีอยู่อีกคำพีหนึ่งชื่อว่าคำพีอภิธรรมมาวตาน่ะนะจะคล้ายกันอภิธรรมัตสังกะหะไม่มีคำอธิบายอยู่ในตัว แต่อภิธรรมมาวตานั้นจะมีคำอธิบายอยู่ในตัวนี่นนะซึ่งของเราข้างหลังก็มี น, น, นะแต่ว่าเนื้อหาพออ่านแล้วก็ต้องเข้าใจเหมือนกันนั่นแหละแต่วิธีการเรียบเรียงเป็นต้นอาจจะเรียบเรียงคนละอย่างอภิธรรมมัทสังกะหะโดยสับนี้ก็บอกอยู่แล้วว่าอภิธรรมะก็คืออภิธรรมมนะบวกอัฏะคือความหมายหรือเนื้อความอภิธรรมมทสังกะหะ สังคะะแปลว่ารวบรวมหรือโดยย่อคาพีที่รวบรวมเนื้อความแห่งพระอภิธรรมปีดกโดยย่อชื่อว่าคมพีอภิธรรมมตสังหะ <c oughs> ซึ่งจะกล่าวอธิบายต่อไปในหน้าหนึ่งของอภิธรรมมตสังขะที่อาจารย์สมพรได้แปลขึ้นเนี่ยนะทั้งแปลดีกาด้วยเราก็ใช้นี่เป็นหลักสูตรในการศึกษา อภิธรรมมัทสังกหะและอภิธรรมมัทวิภาวินีดีกาคงจะเริ่มเรียนกันเป็นประชิดวันนี้ก็มาขึ้นประชิดที่หนึ่งซึ่งจะค่อยๆอธิบายไปโดยลําดับคาถาเริ่มตระกอบว่าสัมมาสัมพุท ธ, ธมตุลัง ส, สัสสธรรมะขนุตตะมังอภิวาตยภ า, าสิสังอภิธรรมมัทสังกหังตัทธาวุตาพิธรรมมัทษาจะโตธาปรมัตถโต กิตังเจตสิกังรูปังนิพพานมิติสัพพทาหนึ่งคาถาเนี่ยในภาษาที่พิมพ์สมัยใหม่ก็คือสองบรรทัดเรียกว่าหนึงนะ่งคาถาเนี่ยเนี่ยเกิดเรียกว่ามีสี่บาทนะนะสองบรรทัดเนี่ยเขาจะแบ่งวักกลางกนะันก็เลยก็สี่บาทพอดีสี่บาทเป็นหนึ่งคาถาเท่ากับว่ามีสีวักสองบรรทัดเรียกว่าหนึ่งคาถาถ้าอย่างในหน้าหนึ่งก็เท่ากับ2คาถา ที่แปลว่าข้าพเจ้าคือพระอนุรุท ธ, ธาจารย์ขออภิวาทพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้หาบุคคลเปรียบไม่ได้พร้อมทั้งพระสัทธรรมและหมู่แห่งพระอริยสงฆ์อันสูงสุดน่นะทั้งหมดนี้เป็นคำนอบน้อมพระตนะตรยแล้วจะ ก, กล่าวประกรณ์ชื่อว่าอภิธรรมมัตสังกหะน่นะอันนี้กล่าวถึงวิธีการแต่งคมภีและก็ชื่อคมภี ทางบาลีนี้เขาไม่เรียกว่าคำภีเขาเรียกว่าปกรเนี่ยนะกขาใช้คําว่าปกรณ์เช่นปกรณ์วิเศษวิสุทธิมรรคปกรณ์อภิธรรมตสังกะหะเนติปกรณ์เนี่ยนะคือปการนังนะใช้คําว่าปกรณ์แต่ของเราสมัยใหม่นิยมใช้คําว่าคำพีเนี่ยนะศัพท์ว่าคำพีจริงๆแล้วแปลว่าลึกซึ้งเนี่ยนะความลึกซึ้งคำพีนี้มันจะโดยทั่วๆไปคำภีคำภีรภาพที่แปลว่าลึกซึ้งความลึกซึ้งมีอยู่4ประการด้วยกัน ลึกซึ้งโดยอัฏฐะคือความหมายอย่างหนึ่งลึกซึ้งโดยธรรมะคือพยัญชนะเนี่ยนะอย่างหนึ่งลึกซึ้งโดยการแสดงอย่างหนึ่งแล้วก็ลึกซึ้งโดยการแทงตลอดนี่อย่างหนึ่งอย่างพระไตรปิฎกนี้ลึกซึ้งทั้งโดยอัรฐะคือเนื้อความในพระไตรปิฎกก็ลึกซึ้งโดยธรรมะคือพยัญชนะในพระไตรปิฎกก็ลึกซึ้งโดยเทสนาการแสดงก็ ลึกซึ้งการตรัสรู้หรือการบรรลุปฏิเวทเนี่ยนะก็เป็นของที่ลึกซึ้งเพราะนั้นคำว่าคัมภีรภาพหรือคัมภีระเนี่ยแปลว่าความลึกซึ้งแต่ที่นี้ใช้คําว่าปรกปรณ์ปกรณ์ก็คือพูดแบบสำนวนไทยว่าตํารานั่นเอง <c oughs> อัถฐแห่งพระพิธรรมนิขถาที่สองนะอัถฐแห่งพระพิธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในพระพิธรรมนั้นโดยประมัตทุกประการ มีสี่อย่างด้วยกันคือ1 2จิต 2, เจตสิการูปสีนิพพานคำว่าประมัิในที่นี้เนี่ยมาจากอัถฐของพระอภิธรรมหรือเนื้อความความหมายของพระอภิธรรมนะถ้าจะย่นย่อมาแล้วมีอยู่สี่อย่างด้วยกันคือจิตเจตสิกรูปนิพพานอันนี้ท่านไม่ได้บอกว่าเนื้อความทั้งพระไตรปิฎกย่อมาแล้วเหลือจิตเจตสิกรูปนิพพานท่านไม่ได้ใช้ศัพท์นั้นเลย แต่ท่านใช้บอกว่าเนื้อความของพระอภิธรรมปิดกเนี่ยนะถ้าย่นย่อมาแล้วเหลือเป็นจิตเจตสิกกรูปนิพพานนะแต่ไม่ใช่นิยามอันนี้ให้ทั้งพระไตรปิฎกไปเลยไม่ใช่จะเพาะนิยามว่าเนื้อความของอภิธรรมปิดกเฉยๆ <c oughs> บรรดาอัถฐแห่งพระอภิธรรมเหล่านั้นจะกล่าวจิตก่อนว่าจิตนี้มีสอย่างด้วยกัน กามาวจรจิตหนึ่งรูปาวจรจิตหนึ่งอรูปาวจรจิตหนึ่งโลกุตระจิตหนึ่งั่นนะแล้วก็บอกว่าบรรดากายมาวจรจิตนั้นเป็นฉไนก็โลภ่ามูลจิต8ดโทสะมูลจิตสองโมหะมูลจิตสองนั่ะที่เหลือก็ว่าโดยชื่ออันนี้ในโลภ่ามูลจิต8ดโทสะมูลจิตสองโมหะมูลจิตสองทั้งสิบสองดวงนี้เรียกว่า อกุศลจิตเนี่ยนะอกุศลจิตมี12ส่วนจิตที่เป็นอเหตุตุกะก็มี18ดวงคืออากุศลวิบากจิตเจ็ดกุศลวิบากอาเหตุตุกะจิตอีก8แล้วก็อเหตุตุกะกิริยาจิตอีกสามนี้เรียกว่าอาเหตุตุกะจิต18ส่วนกามาวจรัสโสภาณจิตอีก24เนี่ยนะก็คือมหากุศลจิต8 มหาวิบากจิตแปดมหากิริยาจิตแปดเป็นยี่สิบสี่สิบสองบวกสิบแปดบวกยี่สิบสี่เท่ากับห้าสิบสี่เนี่ยแล้วก็จิตทั้งห้าสิบี่นี่เรียกว่ากามาวจระจิตเนี่ยมีอยู่ทั้งหมดห้าสิบสี่ดวงส่วนรูปาวจระจิตเนี่ยนะก็รูปาวจรแบ่งออกระดับปฐมฌานทุติยฌานตาติยฌาน จตุทชาญหรือปัญจาการนายเรียกว่าปัญจมะชาญนะก็เท่ากับชาญ5ใช่ไหมชาญที่1 2 3 4งสามหชาญทั้ง5นี้ก็แบ่งเป็นกุศลวิบากและกิริยา5้คูณสก็เท่ากับ15ก็เลยเป็นรูปราวจรจิต15อรูปราวจรจิตมี4คืออากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญาญตนะและเนวสัญญาณสัญญาญตนะ ก็เป็นอรูปาวจรจิตสี่อรูปาวจรจิตสนี้แบ่งเป็นกุศลวิบากกิริยาก็เท่ากับ4ี่คูณสนี่นนะก็เท่ากับอรูปาวจรจิตสิบสนี่นนะส่วนโล ก, กุตรจิตนี้เนี่ยนะมี8ที่แบ่งเป็นมัค4ผลสี่มัค ก, ก็คือโสดาปฏิมัคสกาธาคามิมัคอนาคามิมัคและอรหัตตมัคผลของมัคเรียกว่าอริยผล มัก4ี่ผลก็เป็น4ก็เลยรวมเป็นโลกุตระจิต8สรุปว่ากามาวจรจิตมี54รูปราวจรจิตมี15อาอรูปราวจรจิตมี12โลกุตระจิตมี8รวมเป็นจิตโดยย่อนี้มี89ดว ง, นงนะเนื้อความประฉด ท, ที่หนึ่งมีรายละเอียดสำคัญอยู่เท่านี้เอง ว่ามีจิตอยู่สี่ภูมินะกามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรและโลกุตระกามาวจรมีอะไรบ้างรูปาวจรมีอะไรบ้างอรูปาวจรมีอะไรบ้างโลกุตระมีอะไรบ้างแล้วก็เป็นถ้าจะขยายเพิ่มได้ไหมเช่นโลกุตระจิตจะเพิ่มเป็น8หรือ40ก็ได้ะนะว่าโดยรวมๆเท่านี้แหละจบประเด็ที่หนึ่งล้ ถ้าใครทรงจาเข้าใจนี้ได้นะเนี่ยคือรูปปริเฉตที่หนึ่งวะเนี่ยนะอาจารย์วิธีสอนง่ายเลยนะโอ้ยไ่อนสะกตเลยทไมอะท่องมากท่องยากอะอ๋ายากอันนี้ท่องมาแล้วเลยมาฟังง่ายไม่ใช่มันถง ม, มาแล้วเ น, ะ น, นี่ยอยากย้เลยยนะ้อีกนะที่นี้ต่อไปจะอธิบายอภิธรรมสังกหะหน่อยหนึ่งแล้วก็อธิบายดีกาคืออธิบายรวบรวม อ น, นะอนธิบายรวบรวมไปเรื่อยๆเพราะว่าคงจับประเด็นสาระได้แล้วว่าปริเชนที่หนึ่งคือจิตในสีภูมิเนี่ยนะจิตสีภูมิแบ่งเช่นกามาวจรจิตรูปาวจรจิตอรูปาวจรจิตและโลกุตรจิตเสร็จแล้วกามาวจรจิตนี่แบ่งออกเป็นสามกลุ่มกลุ่มอากุศลจิตสิบสองอเหตุกจิต18ด แล้วก็กามาวจระโสภนะอีก24ก็เลยเรียกว่ากามาวจรจิต54รูปรูปประชานเนี่ยนะรูปประชานเนี่ยมีอยู่5แบ่งเป็นกุศลวิบากและกิริยาก็เป็น15บาอรูปาวจรฌานก็มี4แบ่งเป็นกุศลวิบากและกิริยาก็เป็น12โลกุตระมี4นะนะแบ่งเป็นมร์แบ่งเป็นผลนะก็เลยเป็น8เนี่ยนะทีนี้ อ่ะ น, นะสาระรวมๆเท่านี้ที่เหลือก็มาแจกรายละเอียดแต่ละอย่างแต่ละอย่างลงไปลึกๆเท่านั้นเองในตอนแรกค่ะสองคาถาแรกเนี่ยนะที่ควรอธิบายคือคาถานอบน้อมพระรตนะไตรแล้วก็กล่าวถึงคัมภีร์ที่จะกล่าวอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองก็คือคาถาที่กล่าวรวบรวมเนื้อความแห่งพระพิธรรมเนี่ยนะไปไปหน้า17เนะเอกสารหน้าสิ อภิธรมรมตสังคะหะผู้เรียบเรียงมีชื่อว่าพระอนุรุทธาจาร์เนี่ยนะส่วนพระดีกาจาร์เนี่ยนะชื่อว่าสุมังคลาจาร์เนี่ยนะพระสุมังคลาจาร์เข้าใจว่าเป็นองค์เดียวกันกันกบที่แต่งมังคลัทีปณีเนี่ย น, นะองค์นี้มีความสา ม, มารถเยอะมาก แต่เป็นลูกศิษย์ของพระศรีลังกาแสดงว่าสมัยนั้นไปมาหาสู่กับศรีลังกาเป็นเรื่องธรรมดาก็ยังคิดอยู่ว่าท่านไทยหรือว่าท่านศรีลังกากันแน่เพราะท่านเป็นลูกศิษย์ของภาษาริบุตภาษาริบุตชาวศรีลังกาข้าพเจ้าชื่อว่าสุมังคลาจารย์ขอถวายน้ำมการพระพุทธเจ้าผู้มีพระกรุณาและพระญาณอันบริสุทธ ทั้งพระธรรมอันพระสัมมาสัมพุทธะสงบูชาแล้วและพระสงฆ์ผู้ไม่มีกิเลสมนทินผู้เกิดดีแล้วแต่พระศัตธธรรมคาถานอบน้อมพระรัตนตรัยคาถานี้ประกาศถึงว่าท่านเข้าใจพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดีเข้าใจคุณของพระรัตนตรัยเป็นอย่างดีคือรู้จักคุณของพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าผู้มีกรุณามีพระญาณก็คือปัญญา อันบริสุทธิ์ก็คือพระบริสุทธิ์ที่คุณเท่ากับบอกว่าพระพุทธเจ้าผู้มีคุณสามขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์ไปด้วยกรุณาพระยานและพระบริสุทธิ์นี่นะผู้มีคุณสามประการนี่เนี่ยนะแต่ถ้าขยายเพิ่มไปกว่านั้นอีกได้ไหมกรุณาก็คือบทว่าพักวาเนี่ยนะปัญญาก็คือบทว่าสัมมาสามัมพุทโธบริสุทธิ์ก็คือบทว่าอารหังเนี่ยนะก็คือ นาโมตัสสะพัคกวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะขอนอม น, น้อมแด่พระพุทธเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์อรหันต์หมายถึงบริสุทธิ์สัมมาสัมพุทโธคือผู้มีปัญญาและก็พะคกวาก็คือผู้มีกรุณาแต่ตรงนี้ก็อีกสัมนวนหนึ่งคือในการนอบน้อมพระรัตนตรัยไม่จําเป็นต้องใช้พยัญชนะเดียวกันแต่อัดนั้นเหมือนกันนั่นเ ทั้งพระสัตธรรมคือพระธรรมอันพระสัมพุทธะทรงบูชาแล้วนะท่านใช้ศัพท์ที่กระทัดรัดมากเอาธรรมะที่ระดับพระพุทธเจ้ายัางต้องบูชานะธรรมะนั้นควรจะอยู่ระดับไหนเนี่ยนะธรรมะที่เป็นโลกุตระและคําสอนที่ชี้แจงโลกุตระพระพุทธเจ้าเคารพหมดเลยเนี่ยนะท่านแรกเพราะพระองค์เคารพโลกุตระธรรมก่อน เพราะฉะนั้นคําสอนใดที่เป็นไปเพื่อประกาศโลกุตรธรรมพระองค์ก็เคารพด้วยนะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราบอกว่าพระพุทธเจ้าเคารพแต่เฉพาะโลกุตระธรรมก็ไม่ใช่บางสูตรพระองค์ยืนฟังธรรมทั้งคืนเนี่ยนะนะยืนฟังพระปริยัติธรรมที่ประกาศโลกุตรธรรมพระ อ, องค์ยืนฟังได้ทั้งคืนเนี่ยนะนะนะเพราะเป็นผู้ที่เคารพในในธรรมมากและพร ะ, ะพระสง์ ผู้ไม่มีกิเลสมนทินผู้เกิดดีแล้วแต่พระสัทธธรรมคำว่ากิเลสคือเครื่องเศร้าหมองมนทินก็เศร้าหมองพระสงฆ์ผู้ไม่มีความเศร้าหมองด้วยอำนาจกิเลสเ น, นี่ยนะคือผู้ที่ไม่มีความเศร้าหมองทางกายวาจาและใจแต่เป็นหมู่พระสงฆ์ที่เกิดจากพระสัทธธรรมเกิดจากพระสัทธธรรมที่พระพุทธเจ้าบูชานั่นแหละเ น, นี่ยนะ ประาธรรมก็คือโลกุตระพร้อมทั้งคำสอนที่ประกาศโลกุตระพระสงค์นี้อาศัยคำสอนที่ประกาศโลกุตระแล้วปฏิบัติตามแทงตลอดโลกุตระธรรมเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าท่านขอนอบน้อมพระรตนะไตรคือทั้งพระพุทธพระธรรมและพระสงค์นั้นส่วนที่ท่านไม่ลืมเลยคืออาจารย์ของท่านท่านบอกว่าขอกราบไหว้พระสารีบุตรมหาธระผู้เป็นปรารถองอาจในพระปริยัต ผู้เป็นครูเป็นที่รองรับความเคารพด้วยเสียงกล้าวเนี่ยนะกระว่าใช้ขอเอาศีรษะเนี่ยนอบน้อมเคารพอาจารย์ของท่านนะอาจารย์ของท่านคือภาษาริบุตรถามว่าภาษาริบุตรเนี่ยคือองค์ไหนองค์ที่แต่งดีกาพระวินยัยเนี่ยนะเข้าใจว่าองค์นั้นองค์ที่แต่งดีกาพระวินัยสี่เล่มนั่นนะที่คุณช์ได้อ่านอนะเล่มสี่เล่มนั่นแหละเป็นอาจารย์ของพระสุมังคลาจาร์เนี่ยนะแล้วก็พระเถระองค์นั้นเนี่ย พี่องอาจในภาพปริยัติองค์อาจนี้แปลว่ากล้าเป็นผู้ที่กล้าในปริยัติที่ท่านกล้าเพราะท่านทรงทั้งพระไตรปิฎกและอัตถะถาผู้ที่เป็นดีกาอาจารย์นะต้องจําพระไตรปิฎกทั้งหมดและดีกาอัตถะถาทั้งหมดเนี่ยนะปัญาจารย์ของท่านเนี่ยทรงพระไตรปิฎกและอัตถะถาเป็นอย่างดีผู้เป็นครูเป็นครูนี่แปลว่าเป็นที่ที่หนักนะเป็นที่ที่ท่านเนี่ยห น, นักกับ ท, ท่านเหล่านี้มากหมายความว่าแค่คิดถึงเนี่ย ใจก็ก็ก็หนักเลยนะเป็นที่รองรับความเคารพเพราะฉะนั้นถ้ากราบจะไหวจะบูชากลึกถึงอาจารย์เสร็จแล้วบอกท่านจักพันนาโดยย่อซึ่งประกรณ์ชื่อว่าอภิธรรมมัทสังกะหะอันเป็นที่เพิ่มภูปีติให้ยิ่งแก่หมู่ภิกษุผู้ทรงไว้ซึ่งอภิธรรมจุดประสงค์ว่าเมื่ออธิบายอภิธรรมมัทสังกะหะเสร็จผู้ที่ยินดีในพระอภิธรรมปิดกจกเกิดปีติเนี่ย ก็คือคําว่าปีตินี้เป็นชื่อของผู้ที่มีศรัทธาที่มีกําลังมากเนี น, นะศรัทธานี้เป็นความผ่องใสทีนี้ถ้าปีติเป็นความปราบปลื้มใจเนื่องจากมีศรัทธาในพระอภิธรรมพอฟังอภิธรรมก็เลยทําให้เกิดความปราบปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าจุดมุ่งหมายของท่านเพื่อเพิ่มพูนปีติเนี น, นะปีตินี้อยู่ในธรรมะอยู่ในกลุ่มโพธิปัจฉยธรรมได้ไหมยอยู่ไหม อยู่ในปีติสัมโพชงเนี่ยนะก็นับเป็นธรรมะอย่างหนึ่งที่ก่อให้เกิดความตรัสรู้เนี่ยนะเป็นปายเพื่อตรัสรู้อริยสัจได้นะเพราะฉะนั้นแหมฉันไม่ต้องมีปีตินะเหือดแห้งอย่างเดียวอันนี้ไม่ใช่เนี่ยน ะ, นะแห้งเงื่อนหนาริมฝีปากแห้งด้วยยิ่งอันนี้ยิ่งไม่ใช่เลยเนี่ยนะปฏิบัติบอกลึกซึ้งมากเป็นหน้าดําเครียดตลอดเนี่ยนะแหมไม่ใช่แน่เพราะฉะนั้นเอ็อย่าลืมว่าโพชชงเนี่ยมีปีติอยู่ด้วยนะ ธรรมะที่จะทำให้ตรัสรู้มีทั้งปีติเนี่ยนะแล้วก็มีศรัทธาเป็นต้นนั่นเองมันจุดมุ่งหมายก็บอกชัดเจนแล้วนะเพื่อเพิ่มพูนปีติคำว่าปีตินี้เป็นถ้อยคำที่พูดสรุปว่าท่านแต่งคำภีนี้เพื่อเพื่อให้เหล่าพระภิกษุทั้งหลายหรือผู้ที่ศึกษาพระอภิธรรมเนี่ยนะเจริญงอกงามในโพธิปักขยธรรมก็ได้ใช้อย่างนี้ก็ไม่ผิดเนี่ยนะ เพราะว่ายกปีติสัมโพชงมาอันเดียวนี้ก็โพธิปักจะธรรมก็ม า, มามาทั้งหมดเลยนี่นะและอย่างหนึ่งการศึกษาพระพิธรรมเนี่ยนะเห็นคุณของพระพุทธเจ้าชัดอย่างหนึ่งคือคุณข้อไหนในพระปัญญากรุณาและบริสุทธิ์เห็นคุณชัดตรงๆงเลยคือพระปัญญาคุณถามว่าถ้าพระองค์ไม่มีกรุณาและจะสอนไห ม, ไ ม, ม ก, ก็ไม่สอน แต่ถ้าหากว่าพระองค์ไม่มีความบริสุทธิ์ก็จะเอามาค้าขายเนี่ยนะก็จะเอาสิ่งเ่านี้มาทำการค้าใช่หแต่พระองค์ไม่ไ ม, ไม่ไม่เป็นทั้งนั้นเลยพระองค์มีปัญญาด้วยนะมีพระกรุณาที่จะสอนแล้วก็มีความบริสุทธิ์นะต่อไปว่าก็วันนานาความเหล่าใดแม่มากวันนานากับพันน า, นานานี่อันเดียวกัน วรนนากับการพัน น, นาคือการอธิบายขยายความสื่อสิ่งเดียวกันบอกว่าคำภี์ที่ขยายความเนี่ยนะที่พระอาจารย์ในปางก่อนเรียบเรียงไว้เนี่ยบัณฑิตก็ยังมิอาจเข้าใจเนื้อความในบททั้งปวงเหล่านั้นคือเช่นอ่านอัตตกถาของคำภี์ต่างๆในพระไตรปิฎกเช่นอัตถาสารินีเนี่ยนะอัตถาสารินีสัมโมหวิโนเทนี หรือว่าปรมัถทีปนีอัตกถาปัญจับปรกรหรือคัมภีร์อื่นๆอีกที่ที่อธิบายพระพิธรรมแต่ก็ยังไม่ค่อยจะเข้าใจ่างอันเถอะอ่อานไม่เยอะแต่ไม่ค่อยเข้าใจเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจักรรจนาคือเรียบเรียงหรือวรนนาโดยย่อไม่ทิ้งบทอันลี้ลับเอาไว้ในปกกรณ์นี้พร้อมทั้งอธิบายความให้แจมแจ้งคือคัมภีร์อื่นๆนเนี่ยท่านอธิบายไว้เยอะเนี่ยนะแต่ว่าข้าพเจ้าจะขออธิบายย่อๆนะ วันท่านก็ถ้าอยากใครอยากดูเยอะก็ไปดูรุ่นอัทธาสารีนีสัมโมหะวินโนทนีหรือว่าปรมัทิติปนีไปดูอย่างนั้นอะ่ะเยอะแต่ว่าที่จะพูดต่อไปนี่ยอ่อคือเพราะบางคนเนี่ยนะเข้าใจธรรมะเพราะฟังยอ่อบางคนนี่เข้าใจธรรมะเพราะฟังแบบพิสดารบางคนก็ทั้งย่อและพิสดารเนีนะคุณนิราวันเอาแบบไหนย่ยอดีกว่าเอาย้อนนะเอางี้ไปท่องเลยนะหน้าหนึ่งถึงหน้าสิบหกนี่ไปท่องให้หมดเลย ก็โย่อๆไงถ้าพิสดารก็ต้องไปฟังคำอธิบายเยอะๆไปหมดเลย